นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม จำมาเริ่มต้นกันด้วยหลวงปู่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะมหาเถระเกินค้อนชีวิตของท่านดีครองเพศสมณะท่านท่องเที่ยวจาริก ป่าเปลี่ยวดงกัณฑานท่ามกลางความสงัดวิเวกคือสถานที่ซึ่งหลวงปู่ หากไม่ใช่ดวงจิตอันแรงกล้า หากจะเดินให้ทะลุในวันเดียวจะไปที่ไหนให้เสียเวลาล่วงเข้าเย็นย่ำสนธยาเพราะว่าใน ทั้งยังดูร้ายกระหายเลือดเป็นที่สุดผู้ที่บังอาจนอนกลางป่ากลางดง ก็รีบเข้ามานมัสการกราบไหว้แล้วก็กราบเรียนนิมนต์ ไปตะลุในคืนเนี้ยแม้ว่าจะต้องเดินฝ่าไปใน หลวงปู่ชอบก็บอกกลัวสิทำไมจะไม่กลัวแต่ตั้ง งามขาวลึกเข้าไปในดงหลวงไม่นานไพรพฤกทอดทาบลงมาให้ความ ท่านด้วยใจอันสงบนิ่งก้มหน้าย่ำเดินต่อไปด้วยใจ ตกอยู่ในความมืดแล้วมีเพียงแสงดาวช่วยสองทางในความมืดแล้วมีเพียงแสง โดยหมายจะข้ามป่าดงหลวงโดยไม่หยุดพักหวังว่า ความกลัวเสือก็บังเกิดกลัวเสือก็บังเกิดแต่ไม่ใช่กลัวจนนนลานเสีย แต่เสียงเสือคำรนที่ใกล้เข้ามาจาก และสถานการณ์อันเลวร้ายก็อุบัติขึ้นเมื่อเสือ 2 ตัวมาถึงเป้าหมายคือเสือ 2 ตัวก็ขู่คำรามเสียง มหาอรสัมระสายบังคับจิตไม่ให้เถิดออกไปเบื้องนอกกระทั่งจิตรวมลงเป็น 1 เดียวไม่รับรู้ภาวะอื่นใด จะกระทั่งจิตถอนขึ้นมาเองนานเท่าไหร่ไม่ทราบที่ จิตซึ่งเคยประหวั่นพั่นพึงก็สูญหาย ทั้งยังรู้สึกเมตตาเอ็นดูๆโดยๆทั้งสิ้นพระคุณเจ้า หลวงปู่ชอบจึงผ่านพ้นป่าๆตั้งอยู่อยู่หลวงปู่ก็ปลดวางอัฐบริขารไว้ในก็รีบหาอาหารเท่าที่มีมาใส่บาตรจากนั้นก็ จารึกที่ทุดงมาจากทางไหนท่านก็บอกว่าข้ามป่าดงหลวงมาเมื่อคืนนี้ชาวบ้านก็พา ไผที่ย่างไกลขึ้นไปในเขตป่าตอน ชาวบ้านต่างพลิกพื้นที่ป่าให้กลายอาชีพด้วยความเหนื่อยยากแต่อำเภอด่านซ้ายมีพื้นที่ สินพอกปูญแทบจะตกเป็นทาดในเินกันทุกครัวเรือนตรปูลแก้วสุววันร์ของพระกุเจ้าหลวงปู่ชอบพํานักอาศัยอยู่เตรียยมเปิดด่านซ้ายมาช้านา่นทนทุกทนยากอย่างเต็มกลืนจนกระทั่งสุดจทนจึงได้ตัดสินใจอพยพโยกย้ายไปหาแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งใหมขนข้าวของเครื่องใช้ใส่ควียนภากะล่องลงมาแสวงที่ราบลุ่ม กระทั่งมาถึงบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงพบ พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าบ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าบ่อต่อมาก็มีเหตุให้เปลี่ยนเป็นชื่อชอบโดยปริยายปฐมวัยของลูกชาวนาจะให้สุขสบายเหมือนลูก พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบดำเนินชีวิตต่อไปในแนวทางใดนั่นก็คือท่านจะหลบเลี่ยงหลีกหนีการหาปู ไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จะไปหาเนื้อสัตว์ที่ไหนมาปรุงเป็นอาหารกระทั่งการจับสัตว์ฆ่าสัตว์กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบในวัยเด็กกลับไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ก็เพราะจิตใจมีเมตตาอ่อนโยนเป็นๆ ชาวบ้านโคกมนอยู่กันไปด้วยความสามัคคีและเดือดเดียวรัฐ ตามสมควรแก่พุทธมามกะพระคุณเจ้าหลวง ก็จะมนะบากบั่นกระทําจนสําเร็จเช่นสมัยที่ท่านเป็นเด็กอยู่กันด้วยความลําบากขัดสนควายที่ใช้ช่วยทําตัว 2 ตัวเอาไปไถคราดได้พื้นที่ก็ไม่มากนักก็จะหาเงินมาซื้อควายให้กับ โดยไปเป็นกลุ่มเป็นขบวนไปใช้เวลาถึงกลุ่มเป็นขบวนเดินเท้าผ่านป่าดง 9 วัน 9 คืนถึงจะ 10 กิโลกรัมเมื่อถึงวาระ ลองคิดดูซะครับว่าเด็ก 7-8 ขวบ 10 กิโลกรัมย่ํา 9 วัน 9 คืนโดยไม่มี ที่ตลาดใหญ่กลางเมืองอุดรธานีขายกี่ครั้งได้เงินมาก็เก็บออมไว้บาทเงินจํานวนนี้ใน ดังนั้นหลวงปู่ชอบจึงซื้อควายให้ครอบครัวได้ 10 ขวบความไม่แน่นอน เหลือเพียงโยมแม่คนเดียวที่ต้องๆอีกทั้ง 4 คนหลวงปู่ชอบในฐานะลูกชายก็ ฉะนั้นก็ไม่ได้ทําให้ท่านท้อแท้อ่อนใจลง โยมแม่ของท่านและญาติอีกหลาย ย่อมแม่ก็พาท่านแวะเวียนกลับ ซึ่งท่านเป็นเด็กชายวัยแรกรุ่นก็พลอยติดตามโยมแม่แล้วก็ญาติไปอุปถากถวายจังหัน ยิ่งได้มาปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดก็ยิ่ง ชอบครับครับพระชอบครับเป็นคํายืนยันอันหนักแน่นมั่นคงก็ถามย้ำอีกบวชกับเราแน่ เมื่อสักสายสอบถามความได้แน่ใจที่ๆง่ายๆว่าชอบครับชอบ 14 ปีก็ ถีศิลป์ 8 นุ่งขาวห่มขาวติดตามพระ 4 ปีที่เด็กหนุ่ม ต้องถอยหนีเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนักต่อนักแล้วแต่ 4 ปีเต็มได้รับ เมื่อหลวงปู่ชอบมีอายุ 18 ปีเต็มพระอาจารย์พาก็พิจารณาเห็นว่าควรจะบรรพชา บวดเพื่อข้ามกองทุกอันมีวััดตะสงสารที่ทําให้เวียนไห้ตายเกิดไม่มีสิ้นสุดขณะเดียวกันท่านขยติทดสอบทดลองหรือว่าอํานาจของกิเลสซึ่งปูทุชนโดยทั่วไปต่างหลงหมัวเมาหลงเกิดหลงตายอยู่จะมีอํานาจสั่นคครความมุ่งมั่นของท่านได้หรือไม่หลงปูชอบในวัยหนุ่มเต็มที่อายุ 18ด ปีเต็มกลับไปอยู่บ้าน หนุ่มสาวอายุขนาดนี้ย่อมๆก็ทําตัวเลื่อนไหล ผู้เย่งจะไม่เหลือบแลสนใจหลวงปู่ต้องยอม 1 บาทเป็น 2 ข้างแต่สักไปได้ ต่อมาเพื่อนพาไปแอ่วสาวทั้งต่อไป เพราะว่ามีเมียก็ต้องมีลูกจำเป็นต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจนขว่าจะแก่ชราเวลาที่จะถือศีลภาวนาก็เป็นอันว่าลืมไปได้เลยหรือคิดจะพ้นทุกข์ข้ามห้วงแห่งอกุขยิ่งเป็นไปไม่ได้วิถีชีวิตในแบบของฆราวาสมีแต่จะจมปลักอยู่ในกองกิเลสตราบวันตายแล้วต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบหลวงปู่ชอบมองเห็นสัจธรรมข้อนี้ก็เกิดความเบื่อหน่าย จึงตัดสินใจกลับไปกราบนมัสการของท่านขอมุ่งหน้า บวชเป็นสามเณรเช่นพระอาจารย์สุวรรณสุจิณโณ 23 ปีบริบูรณ์หลวงปู่ชอบได้ พระอาจารย์แดงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับ ท่านสาแรกท่านจำมันสาที่วัดป่านาคําใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัด กัลยาณมิตรรูปหนึ่งคือหลวงปู่ขาว เนื่องจากเวลานั้นชื่อเสียงกิตติคุณของ เมื่อได้ข่าวว่าท่านไปบำเพ็ญธรรมที่อุดรและหนองคายหลวงปู่ชอบก็ตามไปแต่การเดินทางสมัยนั้นยากลําบากนักต้องเดินเช่นวาริชภูมิพังโคนสว่าง ท่าพ่าอาจารย์มั่นและหมู่คนะได้เดินทางไปตามหมู่บ้านทางๆหยุดพักเพียงจากนั้นท่านก็เดินทางต่อไปอีกเส้นทางที่ผ่านไปตลอดจนหมู่บ้านแต่ละแห่งภูมิประเทศเป็นป่าดงพงทึบแทบทั้งสิ้นชุมชนที่อยู่อาส แต่ผู้คนซึ่งอยู่ห่างไกลความ แต่การได้พบพระอาจารย์มั่น แต่วันนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วหากไปต่อก็จะมืด ท่านถามย้ำด้วยความสงสัยเนนทั้ง 2 ก็ยืน ท่านว่าจะมีดวงจิตเช่นไรทดสอบจริตนิสัยของหลวง แต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปก็คือการปฏิบัติทางจิตอย่างเคร่งเคร่งเป็นสำคัญอย่างเดียวไม่มีการมัวสุมคลุกคลีกับสิทธิ์คนอื่นๆอย่างเด็ดขาดสิทธิ์แต่ละรูปจะแยกย้ายกันอยู่ในที่สงบสงัดเพียงลำพังแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาเท่านั้นไม่มีการพูดคุยกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆวันไหนที่พระอาจารย์มั่นแสดงธรรมเทศนาสิทธิ์ทั้งหลายจึงจะมาชุมนุมกันณ และสดับรับฟังข้อธรรมอัน พยายามถึงที่สุดเพื่อเอาชนะความ ดังนั้นหลวงปู่ชอบก็แยกท่าน ท่านก็รู้สึกแปลกใจมากเนื่องจากไม่มีสาเหตุอะไรทําให้ ไอ้คุณเราน่ะนะถ้าจะภาวนาดี ถ้ายังรู้เห็นข้ามพบข้ามภูมิไปอีกการๆยังไม่ขณะภาวนาทุกภาวนาเห็นพระอาจารย์มั่นดูตามกุฏิลูกศิษย์หลังโน้นหลังกลับเป็นเช่นนี้ไม่เว้น จึงได้เห็นพระอาจารย์เช่นนั้นพระอาจารย์มั่นได้ยินข้อสงสัยดังกล่าวท่านก็ๆต่อเออให้ทุกองค์ภาวนา เวลานั้นท่านพระอาจารย์มั่นต้องการเข้มๆว่ามีใครแอบเกียดคร้าน แนะนำๆให้ซึ่งหลวงปู่ชอบก็นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อท่านแนะนําให้ไปๆหลวงปู่ชอบก็จะ โอ้ไปไกลลิบเลยพระน้อยองค์ ท่านก็ไปจำนรรษาวัดป่าหนองบัวบาน โยมแม่ก็เกิดศรัทธาประสาทะในพระ รู้เห็นในการภาวนาตามสมควรจิตใจเยือกเย็นไม่เดือดร้อนวุ่นวายอีกต่อ กล่าวคือขณะที่โยมแม่จำนรรสาอยู่ที่วัดป่าหนองบัวบานแต่หลวงปู่ชอบมาจำมาสาที่วัดหนองวัวซอ รู้สึกร่างกายอ่อนเพลียอย่างยิ่งก็ตั้งใจจะพักผ่อนชั่วครู่ประกอบกับวันนั้นอากาศเย็นเนื่องจากครึ้มฟ้าครึ้มฝนท่านก็เผลอหลับไปแต่ว่างีบหลับไปได้ชั่วครู่โยมแม่ก็มาเรียกนิมนต์เร่งร้าวให้ออกไปดูให้ออกไปดูพระนางมัทรีที่ศาลาท่านก็ลุกขึ้นครองผ้าแล้วก็ออกมาจากกุฏิ ก็เกิดเสียงไม้รั่นเอียดอัดมาจากด้าน ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มถล่มลงมาก็เป็นเพราะก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนน้ำฝนโจกกระจัดเซาะรากไม้ สวยสง่าเกินกว่าหญิงใดที่ๆด้วยความ เมื่อก็พบแต่ความว่างเปล่าปู่ชอบและโยมแม่ไปดูที่ศาลา วันต่อไปครับสวัสดีครับ